เป็นเม็ดเม็อกออกมามีหลายแบบกระดูกหลวงพ่อก็เคยเห็นของครูบาอาจารย์นะแปลกทีแรกมันคลยๆเยิมเยิมอะใสๆออกมากนเยิมเยมเมื่อก่อนมีหมอคนหนึ่งชื่อหมออวยหมออวยเกศสิงเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่เป็นหมอไม่เชื่อเรื่องพระธาตออุมีคนให้พระธาตุหลวกลุ่มั่นมา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 เป็นการแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆวนบางทีก็แยกในแง่มุมของขันห้าทีก็แยกในแง่มุมของอายตนะ6กทีก็แยกในแง่มุมของธาตุ8ทธาตุก็แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปแล้วพบว่าไม่มีตัวเราแมธวิปัสสนาทำไปนะัล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตน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 เวลาสูญเสียนะ่ะไม่ค่อยพูดถึงเวลาทุกข์นะพยายามลืมในเวลาสุขเวลาดีนะ่ะนึกแล้วนึกอีกนะสนองกิเลสงั้นเวลาเราคิดถึงขันธาตุยัญตนาเนะ่คิดถึงทางบวกไปเรื่อยใจไม่ว่ารักอย่างเดียวเลยชอบนะเจ็บป่วยขึ้นมาโอ้ยทรมานทุรนทุรายพอหายเจ็บหายป่วยก็ขนองเหมือนเดิมบางคนไม่สบายก่อนจะไม่สบายชอบสุบุหรี่เยอะ